ในการสนทนากับผู้อื่นอย่าได้เริ่มต้นพูดในเรื่องที่ท่านไม่เห็นพ้องด้วยแต่จงเริ่มต้นด้วยการเน้นคำพูดให้หนักแน่นและเน้นคำพูดนี้อยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ท่านเห็นพ้องด้วยจงเน้นคำพูดของท่านถ้าสามารถเป็นได้ในเมื่อท่านมีจุดหมายในทำนองเดียวกับอีกฝ่ายหนึ่งและความขัดแย้งระหว่างกันเพียงเป็นข้อปลีกย่อยแต่ไม่ใช่เป็นจุดหมายสำคัญจงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดใช่ใช่แล้ว ครับถูกถูกแล้วเมื่อเริ่มต้นการสนทนาถ้าสามารถทำได้จงอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวคำปฏิเสธไม่ใช่เปล่าและอื่นๆเป็นอันขาดคำตอบปฏิเสธไม่ใช่ศาสตราจารย์โอเวอร์สตีดกล่าวไว้ในหนังสือเรื่องการชักจูงความประพฤติของมนุษย์นับว่าเป็นสิ่งร้ายกาจที่สุดโดยเป็นเครื่องทวงไม่ให้ประสบความสมหวัง เมื่อบุคคลใดกล่าวคำพูดเปล่าไม่ใช่ทิฐิประจำสันดานในทุกประการของเขาจะเรียกร้องให้เขายึดมั่นอยู่ในคำปฏิเสธนั้นต่อมาภายหลังเขาอาจจะรู้สึกตัวว่าการพูดเปล่าไม่ใช่เป็นการไม่สมควรกระนั้นก็ตามทิฏฐิอันสูงส่งของเขาอยู่เหนือกว่าความคิดคำนึงถึงสิ่งอื่นใดมนุษย์เราหลังจากกล่าวคำพูดคำใดออกไปแล้วย่อมจะต้องยึดถือคำพูดของเขาดังนั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่สุดในการเริ่มสนทนากับผู้อื่นเราจะต้องพูดให้บุคคล น, นั้นอยู่ในอาการที่จะต้องรับคําเสียก่อนเสมอไปนักพูดที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรับคําใช่ถูกแล้วครับจนนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเริ่มต้นสนทนาการปฏิบัติดังกล่าวแล้วนับว่าได้ใช้หลักจิตวิทยาในการทําให้ผู้ฟังหันเหมาทางรับคําพูดในทุกกรณี ทำนองเดียวกับการกลิ้งของลูกบินเลียดเราแทงมันไปทางหนึ่งด้วยกำลังแรงพอประมาณมันจะ ก, กระท้อนเฉียงไปเสียทางหนึ่งแต่ถ้าแทงด้วยกำลังแรงมันจะ ก, กระท้อนกลับมาด้านตรงข้ามเสมอแบบอย่างในทางจิตวิทยาต่อไปนี้คงจะให้ความกระจ่างได้เป็นอย่างดีเมื่อบุคคลใดกล่าวคำพูดเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ถูกไม่จริงและอื่น ด้วยความจริงใจของเขาย่อมหมายความว่าเขาได้กระทายิ่งไปกว่ากล่าวคำพูดสั้นๆนั้นเสียอีกกล่าวคือตลอดสันพางกายของเขาต่อมประสาทกล้ามเนื้อได้รวมกำลังกันอยู่ในอาการที่จะปฏิเสธตามคาพูดไปด้วยหลังจากนั้นมักจะเป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือบางคราวนานกว่าร่างกายจึงจะคลายหรือเตรียมพร้อมที่จะคลาย จากอาการดังกล่าวแล้วระบบประสาทและกล้ามเนื้อทั่วตลอดร่างในระยะสั้นๆระยะหนึ่งจะพากัน ร, รวมกำลังต่อต้านไม่ยอมให้รับคำโดยตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดกล่าวคำใช่ถูกแล้วครับและอื่นๆร่างกายจะไม่ต้องคลายจากอาการแข็งตัวต่อต้านแต่อย่างใดหากจะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและอ่อนอ่อนไปในทางคล้อยตามด้วยเหตุนี้ ยิ่งเราสามารถทําให้อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวคําพูดรับคําได้มากเท่าใดในการเปิดฉากสนทนาย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จจะชักจูงให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมตกลงใจตามจุดประสงค์สาคัญของเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเทคนิคลําบากยากเย็นอะไรเลยที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรับคําในการเริ่มสนทนาแม้กระนั้นวิธีนี้ถูกปล่อยปละละเลยกันทั่วๆไปในการเปิดฉากสนทนา พวกเรามักจะนึกคิดแต่ความยิ่งใหญ่ของตนเองผลก็คือทําให้เกิดตั้งข้อเข้าหากันตั้งแต่แรกเริ่มเป็นต้นว่าพวกหัวใหม่ซึ่งมีความคิดเห็นรุนแรงประชุมกับพวกหัวเก่าซึ่งมีความคิดเห็นเนื่ยเนื่ยพวกหัวใหม่จะต้องพูดจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งโมโหหัวฟัดหัวเวียงการกระทําเช่นนี้เกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมถ้าเพียงแต่ต้องการความสนุกจากการทําให้ผู้อื่นหัวเสียก็ไม่สู้กร ะ, ะไรนะัก ถ้าหากหวังประโยชน์บางประการนับว่าเป็นการใช้จิตวิทยาที่โง่เขลาเบาปัญญาอย่างที่สุดถ้าในการเริ่มพูดท่านทำให้นักเรียนลูกค้าลูกผัวหรือเมียกล่าวคำปฏิเสธหมายความว่าท่านต้องใช้สติปัญญาและความเพียรอย่างสุดเรี่ยวแรงทีเดียวจึงจะสามารถแปลคำปฏิเสธให้กลายเป็นคล้อยตามได้การใช้เทคนิคให้อีกฝ่ายหนึ่งรับคาช่วยให้เยมเอเบอร์ซัน เจ้าหน้าที่แห่งธนาคารกรีนนิตเซฟิงนัครนิวยอร์กได้ลูกค้าที่ดีคนหนึ่งไว้แทนจะเสียไปชายหนุ่มผู้นี้มาเปิดบัญชีฝากเงินมิสเตอร์เอเบอร์ซันกล่าวผมจึงส่งแบบพิมพ์ของธนาคารให้เขากรอกรายละเอียดต่างๆคำถามหลายประโยคเขาเขียนตอบลงไปด้วยความเต็มใจแต่มีอยู่หลายประโยคเขาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่ยอมตอบถ้าเป็นเมื่อตอน ก่อนผมจะมาศึกษาวิชามนุษยสัมพันธ์ผมต้องบอกท่านผู้ประสงค์ฝากเงินคนนี้ว่าหากเขาไม่ยอมแจ้งให้ธนาคารรู้รายละเอียดตามที่ธนาคารต้องการทางธนาคารจะต้องปฏิเสธไม่ยอมให้เขาเปิดบัญชีผมรู้สึกอับอายเหลือเกินที่เมื่อก่อนผมเคยทำความผิดอย่างร้ายแรงโดยใช้คาพูดเช่นนี้มาแล้วตามความเป็นจริงการพูดยื่นคาขาดแบบนี้มันทาให้สบายใจ ผมได้แสดงความใหญ่โตของผมและเป็นการบอกให้รู้ว่าธนาคารมีกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดที่จะละเมิดไม่ได้แต่การแสดงกิริยาชนิดนี้แน่นอนทำให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกว่าทางธนาคารไม่ต้อนรับและเขาสูญเสียความรู้สึกเป็นคนสำคัญเมื่อเช้าวันนี้เองผมตกลงใจว่าจะลองใช้ไหวพริบในการติดต่อเสียบ้างผมตั้งใจที่จะไม่พูดถึงเรื่องธนาคารต้องการ แต่พูดเฉพาะเรื่องที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นและเหนือสิ่งใดที่ผมปรารถนาก็คือทาให้ลูกค้ารับคำครับครับถูกแล้วใช่ครับจากเริ่มต้นเลยทีเดียวดังนั้นผมจึงมิได้คัดค้านการกระทาของเขาผมบอกเขาว่าตามที่เขามิได้กรอกรายการต่างๆให้ครบทุกอย่างไม่เป็นของสำคัญอย่างใดเลยแต่ถ้าสมมติว่าผมพูด เมื่อคุณตายลงและคุณยังมีเงินอยู่ในธนาคารคุณอยากจะให้ธนาคารโอนเงินจํานวนนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับมรดกของคุณตามกฎหมายไหมครับแน่นอนครับเขาตอบคุณคิดว่าผมพูดต่อไปจะดีไหมถ้าคุณให้ชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์รับมรดกของคุณแก่ธนาคารถ้าหากคุณตายลงทางธนาคารจะได้โอนเงินไปให้ตามความประสงค์ของคุณโดยไม่ผิดพลาดหรือชักช้าเสียเวลาอีกครั้งหนึ่งเขาตอบครับ ท่าทีของชายหนุ่มนุ่มนวลลงและเปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าการที่ธนาคารต้องการรายการต่างๆไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของธนาคารแต่เพื่อประโยชน์ของเขาเองก่อนจากธนาคารไปชายหนุ่มผู้นี้ไม่เพียงตอบคำถามในแบบพิมพ์โดยครบถ้วนหากเขาได้จัดการตามคำแนะนำของผมเปิดบัญชีธนาคารฝากเงินประเภทออมไว้ให้แก่แม่ของเขาและเขายินดีตอบคำถามทุกประโยคเกี่ยวกับแม่ของเขาอีกด้วย ผมได้พบความจริงว่าด้วยการทำให้เขาพูดครับครับตั้งแต่ต้นเขาลืมความตั้งใจในครั้งแรกและยินดีทำตามที่ผมเสนอแนะทุกอย่างโยเซฟแอนลิซันคนเดินตลาดของบริษัทเวสติงเฮาส์เล่าดังนี้มีชายผู้หนึ่งอยู่ในเขตขายสินค้าของผมซึ่งทางบริษัทอยากจะขายสินค้าให้อย่างที่สุดผู้ทำหน้าที่ผมคนก่อน ใช้ความพยายามไปหาเขาผู้นี้ตลอดเวลาสิปีแต่ขายอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเมื่อผมมารับหน้าที่ประจำเขตนี้ตลอดเวลาสามปีผมไปหาเขาเสมอโดยเขาไม่ได้สั่งซื้อสิ่งใดเลยแต่แล้วในที่สุดหลังจากคนเดินตลาดของบริษัทไปหาและเสนอขายมาเป็นเวลาสิบสาปีเขาสั่งซื้อเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าสองสามเครื่องจากการติดต่อเป็นครั้งแรกของเขานี่เอง ผมเกิดความมั่นใจว่าเขาคงจะสั่งซื้ออีกหลายร้อยเครื่องนั่นเพียงแต่เป็นความหวังของผมเท่านั้นเป็นความหวังที่ถูกต้องไหมผมเชื่อแน่ว่าผมหวังไม่ผิดเลยดังนั้นเมื่อผมไปหาเขาสามสัปดาห์ต่อมาผมจึงเดินตัวลอยแต่แล้วผมเดินตัวลอยไปได้ไม่นานนักเพราะเขาผู้นี้ซึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรโค้งต้อนรับผมด้วยคาพูดที่ทาให้ผมตะลึงงานอลิซัน ผมไม่ต้องการซื้อเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าจากคุณอีกแล้วทำไมครับผมถามด้วยความสนเท่ทำไมเพราะมอเตอร์ของคุณร้อนจัดจนเกินไปมันร้อนจนผมไม่กล้าเอามือไปถูกผมรู้ดีว่าการโต้แย้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเคยใช้วิธีนี้มานานพอแล้วด้วยเหตุนี้เองผมจึงหาวิธีที่จะให้เขาตอบรับคำครับครับนี่นะครับมิสเตอร์สมิธผมพูดผมเห็นด้วยกับคุณรอยเปอร์เซ็น์ ถ้าหากเจ้าพวกมอเตอร์เหล่านั้นร้อนจัดจนเกินไปเวลาเดินคุณก็ไม่ควรจะซื้อมันอีกเลยคุณคงจะมีมอเตอร์ที่เวลาเดินไม่ร้อนไปกว่าอัตราซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งชาติวางไว้ใช่ไหมครับเขารับคําเป็นอันว่าผมได้รับครับเป็นครั้งแรกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าวางกฎไว้ว่าเครื่องมอเตอร์จะต้องออกแบบให้มีอุณหภูมิเวลาเดิน72ดีกรีฟาเรนไฮต์เหนือกว่าอุณหภูมิของห้องถูกไหมครับครับเขารับคําถูกของคุณ แต่มอเตอร์ของคุณร้อนจัดกว่านั้นมากผมคงไม่โต้แย้งเขาผมเพียงแต่ถามห้องโรงโว่มีอุณหภูมิเท่าไหร่ครับโอ้เขาพูดราว8ปดสิห้าดีกรีฟาเรนไฮต์ทางนั้นผมตอบ ถ้าห้องโรงโมมีอุณหภูมิ75ดี g r e บวกเข้ากับอุณหภูมิของเครื่องมอเตอร์72ดี g r e รวมเป็น147ดี g r e ฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. ถ้าสมมติว่าคุณเอามือจุ่มลงไปในถังน้ําร้อนซึ่งมีอุณหภูมิ147ดี g r e ฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, คุณคิดว่ามือของคุณจะพองไหมอีกครั้งหนึ่งเขารับคําเมื่อเช่นนั้นผมออกความเห็นจะไม่ดีกว่าหรือที่คุณไม่เอามือไปแตะต้องมอเตอร์เหล่านั้นอือจริงของคุณเขายอมรับเราสนทนากันอีกครู่หนึ่ง ครั้นแล้วเขาเรียกเลขานุกการของเขาให้จัดการสั่งสินค้าไฟฟ้าต่างๆจากบริษัทผมสำหรับส่งในเดือนต่อมาคิดเป็นราคา 35,000 เหรียญผมต้องเสียเวลาไปหลายปีและเสียเงินไปนับตั้งหลายพันเหรียญในการติดต่อโดยปราศจากผลก่อนผมจะได้เรียนรู้ในที่สุดว่าไม่เกิดผลอะไรจากการโต้แย้ง และการที่จะมองสิ่งต่างๆในด้านแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งและพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งรับคำว่าครับใช่ถูกแล้วครับเป็นสิ่งนำประโยชน์มาให้สูงขึ้นและได้รับความสนใจยิ่งขึ้นส o ร r a t i ผู้ถูกขนานนามว่าตัวเหลือเพียงกรุงเอเธนเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมลึกซึง้งทั้งๆไม่สวมเกือกและเมื่ออายุ40ปีนอกจากหัวล้านยังแต่งงานกับหญิงสาวอายุ19ปีแต่เขาได้กระทาบางอย่าง ซึ่งมีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยสามารถทำได้เขาสามารถชักจูงมนุษย์ทุกคนให้เปลี่ยนแนวคิดของตนทั้งหมดในปัจจุบันนี้หลังจากความตายของเขา23ศตวรรษเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ซึ่งสามารถจูงใจผู้อื่นที่ฉเฉลียวฉลาดที่สุดในโลกแห่งความปั่นป่วนยุ่งเหยิงนี้วิธีการของเขาหรือท่านเขาบอกผู้อื่นว่าเป็นผู้ผิดหรือเปล่า เปล่าเลยถ้าทําอย่างนั้นก็แปลว่าไม่ใช่โสกราตี ส, สท่านและไม่ใช่โสกราตีสผู้ซึ่งมีเหลี่ยมคูและชั้นเชิงสูงเทคนิคทุกประการของเขาในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าวิธีการของโสคราตีสซึ่งมีหลักสําคัญที่สุดอยู่ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรับคําใช่ถูกและอื่นๆเท่านั้นเองเขาตั้งคําถามชนิดที่แม้แต่ศัตรูของเขาก็ต้องรับคํา คำถามของเขาจะถูกฝ่ายหนึ่งตอบว่าใช่จนกระทั่งเขาได้รับคำรับรองอย่างเหลือเฟือครั้นแล้วในที่สุดเขาจะตั้งคำถามประโยคสำคัญซึ่งประปักของเขาแทบไม่รู้สึกตัวกล่าวรับรองทั้งทั้งก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีตั้งใจที่จะยืนกรานปฏิเสธในคราวต่อไปถ้าเราคิดว่าเราเก่งพอที่จะกล้าบอกใครต่อใครว่าเขาผิดเราจงนึกถึงโสคราตีส ผู้ตีนเปล่าแล้วตั้งคำถามที่สุภาพละมุน ล, ละไมคำถามซึ่งได้รับคำตอบด้วยการรับคำครับใช่ครับถูกแล้วและอื่นๆชาวจีนมีสุภาษิตอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งคมคายลึกซึ้งตามแบบสุภาษิตโบราณอันไม่รู้จักตายของภาคเอเชียผู้ก้าวอย่างละมุน ล, ละม่อมจะเดินได้ไกลประวัติศาสตร์ของชาวจีนมีอายุยืนยาวถึงห้าพันปี ซึ่งในเวลาอันยาวนั้นชนชาตินี้ได้ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์เสียอย่างเพียงพอและได้รวบรวมสุภาษิตอันลึกซึ้งไว้เป็นอันมากรวมทั้งผู้ก้าวอย่างละมุนละม่อมจะเดินได้ไกลถ้าท่านต้องการชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านกฎที่ห้ามีดังนี้จงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบรับคำว่าครับใช่ถูกและอื่นๆในทันทีเมื่อเริ่มสนทนา